ฟังทำต่ออยากจะบอกจากจะสอนผู้ที่นั่งอยู่นี่อยากจะฟังหรือไม่ก็ไม่ทรบาบว่าจะาจะแกบอกว่าอย่าเบือ น, น้อ ย, ยต่อคำสั่งสอนอย่าขี้เกียจทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่ามัวแต่เพลิดเพลิน ในกรรมเมื่อคุณทั้งหลายลูบรสกล่นเฉียงให้มันเดึงพาไปให้สนใจในเรื่องของธรรมในเรื่องของอธรรมธรรมดำธรรมขาวมันเกิดขึ้นที่กายที่ใจเราหนี่ ถ้าเรามีสติใจเห็นหมดเข้าแถวให้เราดูเราก็เลือกได้ปฏิบัติได้ให้เป็นธรรมทุกเรื่องที่มันเกิดกับปายกับใจเรานี้เียว่าธรรมยาตาไปดีเรียกว่าสุโกโตวันหลง รู้สึกตัวเป็นสุโตวบุคคลแล้วไปดี ID แล้วพ้นแล้วมันทุกข์มีสติรู้สึกตัวเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์้นจากทุกข์ไปแล้วเป็นสุโตวบุคคลนั้นอยู่ที่เราเรามียาตาเพื่อทำ การใช้ชีวิตยืนเดินนั่งนอนอะไรต่างๆเพื่อทำการชีวิตทั้งหมดให้เป็นไปเพื่อทำไหมมันจะมีกิเลสพันห้าตันหนาร้อยแปดแล้วก็มีธรรมพันห้าร้อยแปดได้เทียมเท่ากันรู้ทันรู้เท่ากัน ข้ามร่วงได้อย่ากลัวอย่าเพ้อเพลินอย่ามัวเมาชีวิตเราเลือกได้ดียว่ามนุษย์และมีวิธีปฏิบัติเราก็มีศรัทธาที่เป็นโพธิศรัทธาศรัทธ า, าการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าว่ามีจริงพระพุทธองค์ตัดสู้โดยชอบจริงๆง ไม่มีศาสนาองค์ไหนที่บอกที่สอนให้เราได้พึ่งตัวเราให้เรามีการกระทํานี่แต่ศาสดาของเรานี่ที่เรามีศรัทธาผู้ที่ศรัทธารามันหลงลูกนี่ไม่มีศาสนาไหนสอน การทำจิตรบริสุทธิ์ไม่มีศาสตราองค์ใดสอนการสอนในละอยชั่วทำดีมีทั่วไปแต่การทำจิตให้บริสุทธิ์นี่มีพระ ศ, ศาสดาสมมาสุภุริเจ้าเอาเดียวเท่านั้นล้าก็ทำดูก็ทำได้การรอยชั่วทำดีใครก็สอนได้มีทั่วๆั่วไป แต่วิธีทำจิตให้บริสุทธิ์นี่เราต้องสอนตัวเราเองไม่มีใครสอนได้มันหลงลูกเองเวลามันทุกข์ลู้เองเวลามันโกรธลู่เองนี่คือหลักปฏิบัติแล้วเราก็มีสิทธิจริงๆเพื่อการนี่จริงๆเดียวว่าเพื่อทำจริงๆชีวิตของเรานี่ มีสิทธิที่จะทำเรื่องนี้แะเราก็มีมิตร ด, ดีมีเพื่อนดีมีเสหายดีมีสิ่งเวดล้อมดีสร้างขึ้นมาอย่างวัดวาลามที่อาจาเจ้าโจมสร้างให้เขาก็ถวายว่าโอถวายเจ็บพระสงฆ์ผู้ที่มาในทิศทั้งหลาย ผู้ที่มาในอาวาสทั้งที่มาสู่อาวาสในทิศทั้งหลายมาจากที่ไหนก็ได้ให้มาอยู่นี่ชิงเวรลอบดีได้มาจากคำถวายหลวงพระเจ้าพิมพิศารเป็นคนแรกให้พระสง์ที่มาจากทิศทั้งปวงเพื่อเป็นประโยชน์ เพื่อความสุขเราก็อยู่อย่างนี้นิวานไปดูธรรมญาตาตัวสิว่ามีความ เ, เต็ม อ, อกเต็มใจเห็นการกระทงของเพื่อนของมิตรมากมายสแสดงออกทุกรูปแบบในความดีเหมือนมีที่พึ่ง ถ้าแผ่นดินมันคงเจอดชื่นใจมีคนช่วยเราแล้วแม่นาที่มันลอยอยู่ตาโตนโอ้ยมังโกงเจอดตะโกนโลองว่ามีคนมาช่วยเราแล้วตาหมายอากาศคล้ายๆมันบอกว่ามีคนมาช่วยแล้วมันจะตายถ้าไม่มีใครช่วยจออก มากบายหลายลอยคนตั้งพูดที่สนับสนุนให้ที่อยู่อาศัยให้อาหารการจีนเต็มไปหมดพวกเราอาศัสมัครก็มีแต่บึกบืนขึงขังบกบันจริงๆงจะแดงออกทุกรูปแบบในหน้าที่ ด้วยความพอใจเราเห็นแล้วก็เออนี่มันก็ได้เห็นภาพเหมือนกับมีหวังในโลกนี่ที่จะความดีขึ้นมาดอยเยอเป็นสุโกโตอะไรคงจะดีขึ้นมาถ้าพวกเรามังช่วยกันอย่างนี้องค์ไม่มีที่ไหนทำได้ขนาดนี้หรอก ตอนที่ดูแล้วนี่ไปเห็นเมื่อวานนี่หัวหน้าอาจารย์วิสาแสดงทำหม้อแผละบ้ากหัวหน้าทุยนอนกาวกน่าวั ง, ง่ากเหมือนมีหวังพวกเราทุกชีวิตที่แสดงออกในหมู่คณะ ด้วยเป็นภาพที่หาดูได้ยากทั้งได้เห็นทั้งได้ยินทั้งได้ฟังได้สมบัตได้เห็นความยิ้มได้เห็นความพอใจการกระทําของมิตรของเพื่อนมิตร ด, ดีสหายดีเพื่อนดีผู้เวทล้อมดีหนจากทิศไหนทิศไหนมั้ย มีแต่รอยยิ้มรอยยินดีไปด้วยกันเนี่ย <c oughs> นี่เป็นจีิงเื็นรอมแล้วก็เป็นทั้งหมดของผมไัจร์ได้ทีนี่เรายิ่งมาปฏิบัติสัมผัสกับวิธีปฏิบัติเรายิ่ง ชัดเจนแม่นยาจริงขึ้นด้วยตัวเองด้วยการกระทําด้วยการสัมผัสไม่เห็นสิงที่มันเกิดกับปากับใจเรามีสติที่จะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกวากับใจแล้วเราก็มีความพ้องมีสติอยู่แล้วเจ้าถิน่นเจ้าเรือน ไปในกายเป็นในจิตเจ้าของกายเจ้าของใจเจ้าของกายเจ้าของกิตเจ้าของรูปเจ้าของนา ม, มใส่สธิดูแลรักษารูปนี้นามนี้ให้เป็นทรมทุกเรื่องเนี่ยมันจึงเป็นสุดหัวใจของชีวิตเราที่เราได้ชีวิตมานี่เราใช้ชีวิตให้มัน ก็มดว่ามนุษย์เป็นชีวิตที่ประเสริฐตัวทุกสิ่งในโลกนดเอ็นหมดแถมแมลงก็มีเมตตากูน้าเอ็ไหลก็มีแต่คิดช่วยเหลือนี่ประเสริฐเราก็ช่วยเหลือตัวเองนี่เป็นยิ่งประเสริฐที่สุดได้เห็นความหลงเปลี่ยนหลงไปไม่หลง นเป็นงานชอบเป็นดำหลีชอบเป็นลูกกอลุนแล้วเปลี่ยนร้อยเป็นดีแล้วก็เปลี่ยนได้ทุกอย่างในโลกนี้เรามีวิธีที่ทําความดีกับทุกสิ่งทุกอย่างนอกกายนอกใจนอกลูกนอกนา้า ไม่กายในใจในรูปในน้ำกว่าพี่มีความสามารถที่ทำความดีให้เกิดขึ้นกับรูปผมนม้ำกับทุกอย่างได้มีวิธีทำมีอุปกรณ์มีมือมีปากมีคิดใจที่จะทำความดีได้มีใจก็แผ่เมตต า, ม, าม่เด้อิจฉาเบียดเบียนใคร นิไวจาก็พูดมาเป็นม้ถ้าเป็นเสียงที่สื่อสารกันได้ก็บอกก็เห็นคนหลงไม่หลงก็ได้เขบอกอย่างนี้ไม่สูญเสียไปไหนมันอยู่ที่เราแล้วนี่พระพุทธเจ้าบอกแล้วนานมาแล้วได้ยินกันทุกคน แม่เราสวดบรวูรโหยพระ ค, คำสวดคำสอนที่ย่อยเอามาจากคำสอนพระพุทธเจ้าตั้งแต่นโมตัศปะวัตุบอกแล้วโดยมีวิธีต่างต่างสอศสักพิธีล้วนแต่เป็นสิ่งเวโร่ที่ดีให้เราได้ปฏิบัติตาม ไม่จนเลยทีเดียวเราหลงไม่หลงไม่จนตัวความหลงผ่านความหลงได้นี่ว่าสุขตัวบุคคลดีกว่าหลงผ่านไปแล้วมันทุกข์ไม่ทุกข์ผ่านได้แล้วสามารถทำได้ทุกคนว่าจะปฏิบัติตามธรรม อย่าปล่อยทิ้งให้หลงเป็นหลงให้ทุกข์เป็นทุกข์ให้โกรธเป็นโกรธให้วิตกกังวลเศ้าหมองหมู่มุ่นคนคิดถ้าปล่อยไปอย่างนั้นกันก่ไปใหญ่กนะ็เกิดอะไรขึ้นมาได้มันมีภูมิภพต่างๆมนุษย์นี่มันตกนรกได้ คนนี่เหมือนตกตราลกได้ไมันเป็นเปรตได้เป็นนิสุรรกะได้เป็นสัตว์ประหลานได้ถ้าไม่เป็นสุกโตบุคคลไปทางต่ําถ้าเป็นสุกโตบุคคลเราไปทางสูงสูงอย่างเช่นบอกว่าให้เห็นอย่าเป็นถ้าเห็นนี่เป็นทางสูงถ้าเป็นเราไปทางต่ํา มันหิวเห็นมันหิวไปทางสูง้็หิวเรเป็นผู้หิวเรไปทางต่ําเหมือนทุกเป็นผู้ทุกเด็กไปทางต่ำํำมันทุกเห็นมันทุกไม่เป็นทุกไปทางสูงสูงอย่างนี้เรียกว่ า, วานุชผู้ประเสริําได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้นี่คือตัวปฏิบัติ ถ้ามีการการะทำสิ่งที่มันเกิดกับกายกับใจนี้ทำได้ทุกอย่างเราก็สัมผัติได้เป็นอย่างไรในธรรมกับอาธรรมไม่ใช่สติละชานสมผัตความหลงสัสมบัตความไม่หลง สมภัทความทุกข์สมภัทความไม่ทุกข์เห็นหมดทุกอย่างอันความไม่ดีความทุกข์ที่มันเกิดกับรูปกับนามเห็นหมดทุกเรื่องอันด้าเก่าด้าเก่าเก่ามันไม่เขของใหม่ก็ เ, เลผ่านได้ทุกอย่างเลยไม่เป็นอะไรกับสิ่งที่มันเกิดกับกายกับใจกับรูปกับนามเหนือทุกอย่าง อยู่เหนือทุกอย่างเหนือชีวิตก็เหนือกินเกิดเจ็เ จ, เจ็บตายนน น, นไม่ใช่รอวันทุกในวันนั้นมันเห็นแล้วมันรู้แล้วเรียกว่าอัญญาสิคือรู้แล้วอัญญารู้แล้วไม่มีตรงไหนปิดบางอำพพงเหมือนกันหมดทุกชีวิต สามารถบอกกันได้สามารถให้การแนะนำกันได้ชี้ทางกันได้แม้บางทีเช่นเรื่องพระพุทธเจ้าไปโ ป, ปรดพระราชบิดาจวนเจดสวรรค์โคตรพระเจ้าไปบอก <c oughs> <c oughs> อนั้นกรนั้น เจ้าสุทโธละก็ได้เกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาสามผักับประพูดมันเป็นการกระทาลงไปเจิเกิดได้มากได้ผลขึ้นมาก่อนเจะจะขาดจะฆ่านาทียังมีอยู่แต่พวกเรานี่นั่งอยู่นี้ยังไม่ถึงตอนเจะจะขาดยิ่งทำได้เก่ง ไม่มีพระพุทธเจ้ามานั่งบอกตั้งสอนแต่มีทำที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เอามาทำแล้วทำได้ด้วยวิธีปฏิบัติที่เราทำอยู่นี่สมบูรณ์แบบเป็นเครื่องมือที่ใช้ได้ที่สุดในรูปแบบนี้ไม่ต้องปรับปรุงใหม่นี่สติปันกาอยู่เป็นประจำ ไมนมีอะไรเกิดขึ้นถึงปากกระจายถอนความพอใจและความไม่พอใจออกมามามีสติมีความเพียรเครื่องเผาจิเลตถอนความพอใจและความไม่พอใจในโล ก, กเสียได้โลกม็ไมีมรสชาติความพอใจมันเป็นรสของโลกความไม่พอใจมันเป็นรสของโลกมีรสบวกมีรสลบ มาโลกโหนออมาเสามันไม่เปลียนอะไรกับความพอใจความไม่พอใจมาอยู่เหนือเนี่นมันเป็นทางเอาไว้ <c oughs> จนชำนานชำนานทางทางเดินของกายของจิตทางเดินของรูปของนาม ไปสู่จุดหมายปลายทางที่สู่แต่งทุกความปวดพ้นจากทุกเรื่องนี่คือความปวดพ้นมาใช่เพื่ออื่นอื่นัดถอนความพอใจัดถอนความไม่พอใจออกมามามีสติมารู้จึกตัวมันก็ทำได้ถ้ามีกรเรครื่องกระทาลงไป กรรมการกระทำนี่สำคัญมากอย่าปล่อยทิ้งกรรมคือการกระทํำตามดีคือมีสติตามชั่วคือหลงตัวเลืมตุลตามเป็นใหญ่ตามจําแนกไปเองถ้เปลี่ยนหลงไปไม่หลงก็จําแนกไปเองถ้าหลงไม่ได้เปลี่ยนไม่มีการกระทําปล่อยทิ้ง แล้วเกิดอะไรขึ้นมากมายเหมือนพูดแล้วพูดอีกเช่นเราหิวข้าวไปกินข้าวมันก็เกิดอะไรขึ้นมาจากหิวข้าวไปกินข้าวตายไปได้แ้หมันหลงไม่เปลี่ยนหลงเป็นรู้มันจะเกิดอะไรขึ้นมา มากมายหลายอย่างต่อจากความหลงไปอีกมากมายถ้าไม่มีกรรมตรงนี้ปล่อยความหลงเป็นความหลงปล่อยให้ทุกข์เป็นทุกข์ปล่อยโกรธเป็นโกรธปล่อย ห, หมกอ้วนคนเชิดทุ่งซ้านไม่มีสติไม่ไเด็กมีกรรมกันกระทกากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจับรูปกรรมนามแล้วก็ เกิดปุ๊บเกิดภูมิเพืพ่อนมาตามลงไปเรื่อยๆไม่วริสุท์ไม่หลุดพ้น้นจึงบ่วงคล้องติดไปต่อไม่ปฏิบั ต, ติถ้ามันมีกรรมในการกระทำต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับรูปกกับนามให้มันเป็นธรรม มันก็เป็นอธรรมได้มันรับใช่อธรรมได้อะไรทำก็เลยใช้ชีวิตเราไปเลย อ, อธ ร, รรมเลยใช่ชีวิตเราไปเลยกรมหลงไปเจ้าของรูปเจ้าของกายกรมหลงไปเจ้าของนามเจ้าของจิตใจทำไรทำตามความหลง มันจะลักกรลักเป็นจะโกรธก็โกรธเป็นจะเกียดก็เกลียดให้ความหลงเป็นความหลงให้ความลักเป็นความลักให้ความเกลียดชังเป็นความเกลียดชังให้ความสุขเป็นความสุขให้ความทุกข์เป็นความทุกข์นี่ว่าไม่ปฏิบัติตามธรรมนักใช่เป็นชี้ข้าของธรรมแม้แต่มันคิดจึงไม่มีอะไรก็เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะความคิด ฮิดขึ้นมาก็เป็นทุกข์ได้นอนไม่ได้นอนไม่หลับกินไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราอยู่ในฐานะแบบไหนยังประมาทไหมตอนนี้ชั่วโมงนี้มีอะไรที่เราจะทำที่มาเกิดกับกายกับใจได้จะทำหรื อ, อยังหรือปล่อยทิ้งนั่งอยู่นี่เหมือนหมุกุ้นคนฮิตไปน้อย นั้นสุขเป็นทุกเรื่องใดมีเฉลยะจากเป็นละหลุนี่ไหมยังเป็นภาร ะ, ะอยู่หรือหรือหมดภาร ะ, ะไปบ้างแล้วได้มีน้ำหนักก็เบาลงเั็นหน่อยได้ไหมเรือยหลงไม่หลงในจิงที่หลงไม่หลงแล้วพราะมีการกระทบ <c oughs> ไอสิ่งที่เป็นทุกข์อาจจะไม่ทุกข์ถ้าทำาเมืการกระทําเกิดขึ้นนะเหมือนคนกินข้าวพออิ่มแล้วไม่หิวแล้วฝันก็แปลงแล้วสาดแล้วมือก็ล้างแล้วสะอาดแล้วความสะอาดมาแทนความฉกปลกความอิม่มมาแทนความหิวในจิตวิญญาณก็เหมือนกัน มันแทนกันมีธรรมก็ไปอยู่ธรรมก็รักษาผู้ผู้บัตอยู่เป็นนิตธรมย่อมมาล่ำให้ให้ตกสู่ที่ชั่ว <c oughs> ถ้ามีแล้ว <c oughs> เป็นอย่างนั้นมันมีมากมันมีผลในชาตนานี ม, มีวิยัยปฏิบัติต่อตัวเองอย่างมีวิยัยวิไยปฏิบัติต่อควาหลงก็คือไม่หลงทุกครั้งที่มันหลงไม่หลงวิยัยที่นําไปดีวิคือวิเศษในเยะคือนําไปนําไปสู่ความวิเศษถ้ามีปฏิบัติจย่างนี้ตามวิไนมื่อก็เกิดมาเกิดผล ศาสนานี่ศาสาานาห่งทำไม่ไหนเรามาอยู่ที่นี่เป็นลูกต่างพ่อต่างแม่ต่างนิสัยใจคอวินัยนี้ทำไมิไหนนี้เหมือนเส้นได้ดอยดอกไม้ดอกไม้ไมายังไม่ขูสู่เส้นได้กระชวยกระจายเมื่อเอาเส้นได้ไปเราก็เข้ากันแล้วกลายเป็นพวงมาลัยมีค่าขึ้นมา ไม่ต้องเรียกดอกไม้เรียกว่าโมพวงมมลายชีวิตเรานี้ก็เป็นพวงมมลายเป็นคนคนเดียวกันยึดิเรามีสติมันก็เป็นคนคนเดียวกันแล้วทุกคนมีสติรู้จึกระลึกได้อยู่หนึ่งคนก็รู้จึกตัวสองคนล้อยคนพันคนทุกคนมีสติก็เป็นคนคนเดียวกัน บางคนต่องลาะควมชั่วต่อคนต่องทำความดีเมื่อเกิดมากขึ้นมากขึ้นจึงเกิดมากเกิดผลมิตรดีสะหายดีเพื่อนดีชีวิตโล่อมดีมก็เปิดพรหมจรร์ขึ้นมาบริสุทธิ์หมดโจดจ่อเครื่องโมงงนี่คือ ศาสนา ส, สมหมอสมพุทธเจ้ามาปฏิบัติก็ได้พบได้เห็นได้สัมผัสกับธรรมกับบาธรรมจริงๆรูจักเลือกได้จริงๆชีวิตนี่มันเลือกได้ต่อยอดได้เลือกได้ดีกว่าวัตถุสิ่งของ อันเลือกวัตถุสิ่งของมันยังเสื่อมโทมเลือกเอาผมมาเจนี่มันบริสุทธิ์ไม่มีคลวว่าเสื่อมโสมเหมือนดอกไม้บริสุทธิ์ปูดผ่องชีวิตเราคนจะเป็นเช่น น, นันความไม่เลือกอะไรเลยก็มเจ้ ปัญหาขาละรับใช้ตกเป็นทาสมากมายจนหมดคุณนะภาพหมดคุณค่าบางคนไปเห็นคนตายโกรธไม่จตายอยู่โจังโกรธทุกข์กมันเคยทุกข์มาแนะนำอไรก็ไม่ได้ มืดบบดชีวิตที่มืดบบดเหมือนคนตบอบบดหูหนกไม่ค่อยฟังใครหลับแอาทำหลับใช่กิเลสตัณหาจนหมดสภาพว่ามีเหมือนกานบางชีวิตเคยห้ามเพื่อนจบบุรีดัง เพื่อนก็เป็นโลกหืดก็บอกว่าอรรักษาอย่างอื่นก็รักษาไปแต่ว่าสิ่งที่เราช่วยตัวเราต้องงดสูบุหรี่ถ้าไม่งดสูบุหรีน่นี้รักษาก็ไม่ค่อยจะมีประโยชน์เพื่อนก็ บ, บอกว่ามันอดไม่ได้นันทนไม่ได้ขอสูบไปอย่างนี้แหละเอาชีวิต ไปจำยอมต่อผูดีไว้สุก็ตายไปสองสามวันนี่ตายจริงๆ จ, <c oughs> จนปวดหมดหมอก็ช่วยไม่ได้การคนก็ยอมตายเพราะของอย่างนี้ยอมหลงเพราะความหลงตายไปแล้วจะคลัวไม่หลง ยทมทุกผู้ควาทุกยอมโกรธผู้ความโกรธโกรธที่ไรก็เป็นโกรธทุกที่ไรก็เป็นทุกตายเพราะอย่างนี้ตต้องมีาการตายไปเรื่อยๆ่อยแม้ในความหลงก็มีความเกิดเจ็เจ็บตายในความทุกข์ก็มีการเกิดเจ็เจ็บตายในความโกรธก็มีความเกิดเจ็เจ็บตายแต่ความเกิดเจ็เจ็บตายแบบนั้น มันก็พอกคุนไปถึงเป็นพวเป็นชัดได้แต่จริงๆชีวิตจริงๆไม่เป็นเช่นนั้นถ้าปฏิบัติตามธรรมเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่นี่มีใครโกรธบ้างมีไหมสมหญิงโกรธไหมให้โกรธเลยเดี๋ยวเนี่ยไม่โกรธนี่ เดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรให้ฟังอยู่นี่คือมันไปทางไหนกันมีเราร่วมสักหน่อยไหมเห็นด้วยไห ม, เ, ม, ไมเห็นด้วยไหมเวลามันหลงไม่หลงเห็นด้วยไหมปฏิบัติ ด, ดูว่างไ้ยมีเราล่วมขึ้นมาส่วนร่วมขึ้นมาเหมืนหมอหมอรักษามีเราร่วมกับหมอ หมอให้กีโม่เจ็ดวันให้ครัง้งหนึ่งเราอยากจะให้ถึงเจ็ดวัน ง, ง่ายๆจะได้ให้กีโมพอเห็นหมอจะให้กีโมเห็นปงุงกีโม่ส่ขวดเห็นจีโม่แดงๆเมื่อไหมันจะมาอยู่ในเมื่อใดจะหมดแทงเข้าเส้นเลือดให้เนาะเห็นแต่ขวดมันห้ออยู่ มีนวร่วมปวดตือโลน้นอยากให้หมัวัดแทงเข้าเส้นเลือด <c oughs> มีความสุขบางทีหมอหมอยืนดู ด, ดูเห็นวัวาจีโม่แดงๆเลยขนหัวลูกกลวัวแล้วแต่เรามันเห็นเห็นด้วยมีแนวร่วมเพราะว่าจีโม่นี่นข่า ชีวิตมันค่าเชื่อโลกตัวเราเนี่ก็เป็นเชื่อโลกอันหนึ่งฆ่าถูกค่าไปเหมือนกันแต่ก็ยังมีเนาร่วมอยู่ไม่ได้กลัวนี่เรียกว่าเกิดคุณภาพขึ้นมาถ้ามีเราร่วมถ้าบอกว่าให้มีสติให้เกิดแนวร่วมบ้างมีสติภายในกายก็เอามาทำบ้าง เวลามันหลงให้เปลี่ยนหลงเป็นรู้ให้มีแ้วร่วมอย่างนี้เอาไปทมไม่ได้ปังแล้วไม่มีการกระทำ ม, มันก็ไม่มีประโยชน์อนไนะไรมันมีหลงอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งอาจจะมีหลงมีสุขมีทุกข์มีอะไรที่มันไม่ใช่จิตติก็เอาจิตติไปลงทำมันเต็มพื้นที่ ใช่กายก็มีสติไปในกายใช่ความคิดก็มีสติไปในความคิดใช่คําพูดก็มีสติไปในคําพูดมีการกระทําทางกายทางกิตอะไรก็มีสติไปาการกลับปันไปหัดฝึกหัดสอนตนเองหัดเตือนตนเองหัดแจ้ไขตนเองทีแรกก็หัดถ้าหัดแล้วมันก็เป็นได้ มาต้องงัดมาพ่อมกันเลยวางทีสติมันไว้กลัวคว่มหลงคำว่าสตินี่ภาษาที่พูดด้วมันไวมาไหวมาไ ว, าไวสตินี่เดีย่ยวนี้อะไรมันมาไวคว่มหลงมาไวคุ่มทุกมาไวขุ่มปวดมาไวผมว่าเนี่ยหัดวิ <c oughs> ่งปึก มก็เลยช้าทุกไปแล้วโกรธไปแล้วยังรู้สึกมีสติมันเป็นการป้องกันป้องกันดีกวาาวาเจ้ไขเราจึงฝึกวิชากรรมฐานมีสติประในกายอยู่เป็นประจำให้มันเป็น กลาเป็นแล้วไม่ต้องปรึกมาเองมาไวเองมันเป็นอัตลบ้านอยากให้มันหลงก็ไม่หลงดอกอยกให้มันทุกก็ไม่ทุกข์เพราะมันไม่ถูกต้องกวมถูกต้องมันมีอยู่ได้สัมผัสมันก็เป็นไปเอง ไม่มีสิทก็ไม่ถูกต้องไม่มีสิทธ์มาใช้ชีวิตเราได้ น, นี่เราว่ามันเป็นแล้วหัดให้มันเป็นการหัดให้เป็นเช่นนี้ไม่มีใครหัดเราได้นอกจากตัวเราหัดตัวเราไม่มีมหาวิเลยที่ไหนที่สอนเรื่องนี้ได้นอกจากเราสอนตัวเราเองนี่คือการปฏิบัติต้องตัวใครตัวมัน มาอยู่นี่ให้ใช้สติเรื่องนี้นมากที่สุดแม้มีเรื่องอื่นก็ก็อย่าให้เต็มที่หวงกันได้เอาไปใช้ใ้ทุกกรณีหมาะแก่การงานก็มีสติให้ใช้สติเต็มที่ให้ใช้สติเต็มที่ พวกเราก็สนับสนุนกันนะใช่สติให้มีสติเ้าทําให้กันหลงเราก็มีวิธีที่จะดูร่วมกันตอนเชา้าก็มาสาธยาพสูตรร่วมกันตอนเย็นก็นมาสาธยาพระสูตรร่วมกันเป็นข้าวพร้อมกันปิดวัดวิธีวัดฉีบหยาง ทำไมขีดเส้นไม่มีเส้นใช้ชีวิตประจำวันเดี๋ยวคนมีเส้นไม่ใช่เส้นคนอื่นขี ด, ด้ห้ขีดเช้นตัวเองไวบ้บ้างเมื่อเหมือนมีเส้นมันก็มันก็เป็นระเบียบไปเองทำคนอื่นไม่เป็น เล่นใชไเป็นหนุ่มกันโจนเนเพื่อนเล่นเราขีดเส้นเราจะไม่เล่นคิดจะไปเจรนาไปสร้างบ้านไปถากไม้เพื่อนไปเล่นไปเที่ยวเราก็ขีดเส้นไปบางดีก็บอกแม่ให้ปลูกบ้างไม่อยากตอนตื่นสอย แต่วันไหนนอนตืนสายแม่ไม่ปลูกรู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยดีไม่แม่ก็เก่งใจเห็นว่าลูกทํางานเหน็ดเหนื่อยอยากให้นอนให้พักผ่อนแต่เราก็คิดว่ามันมันไม่ถูกต้องจยากให้ปลุกโอยทะเลาะกับแม่เรื่องนี้ทาไมไม่ปลุกออ <laughs> เคยทะเลาะอย่างนี้เคยด่าแม่อย่างนี้ กูเห็นสู้เมยกูว่าอยากปลกกีดเชิญลอยเดินไปนาเดินไปทำปาไมา้ทางบ้านสร้างเรือนเวาทำนาคิดจะไปนาเวลทาทเกี่ยวข้าวคิดจะไปเกี่ยวข้าวเวลาทำไรก็คิดจะไปเกี่ยวทำไรมีวัวมีควายก็คิดจะไปดูวัวดูควาย มันก็นมาจุงวัวจุงควยออกคอกมาผูกใส่ฟางใส่หญ้าวัวมันหลายตัวมันแออัดกันที่ที่นอนของหัวของควายก็มันเปื้อนมันเปะเปื้อนมันชื้นแค่เอาออกมาผูกข้างนอกอให้น้ำเกลือให้อร่อยมันกิน นี่เราก็ขีดเส้นไว้เกี่ยวกับจริงต่างๆปอยโคกเป็ดโกยโกไก่ดูเ ล, ละอะไรต่างๆขีดเส้นไว้มาประมาณถ้าคนอื่นขีดเส้นให้นั่นอ่อนแลเราต้องขีดเส้นเราเองเรามาใช้ชีวิตที่นี่หัดขีดเส้นให้เป็นระเบียบคงเส้นคงวา มันมีแผนที่ในการใช้ชีวิตเพื่อทำโดยเฉพาะใช้ชีวิตเพื่อทำในเหมาะสมที่สุดแล้วก็ชัดเจนที่สุดกว่าใช่อย่างอื่นชอบที่สุดการทำนี้ก็ไปใช้กับสิงกว้งานต่างๆก็ถูกที่สุดอันนี้ทำว่าเสรจแสดงทำเสก็จะไปออกโยคะแข่งแขน สักสามสิบนาทีอย่างแขนเสร็จก็สว่างหกโมงก็จะไปรถล้างต้นไม้โอ้สมควรเชื่เวลา <laughs>